วันนี้เป็นวันสุขที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมพุทธศักราชสอง8ัน้าดเป็นวันพระวันธรรมสวนสะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หยุดภารกิจการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้มาวัดเพื่อมาเลี้ยงดูรักษาใจ ที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ใจเป็นผู้ไปสวรรค์ไปนรกใจเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดใจเป็นผู้ไปนิพพาน ไม่มีอะไรในโลกนี้นอกจากใจที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ร่างกายนี้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็กลายเป็นดินน้าลมไฟไปแต่ผู้ที่จะไปต่อ ก็คือใจใจจะไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆก็ได้ขึ้นอยู่กับใจว่าใจรู้ว่าตัเองกำลังไปในทิศทางไหนส่วนใหญ่ใจของปุตุชนอย่างพวกเรานี่ มักจะไม่รู้ว่าเราไปทิศทางไหนกันเราหลงทางกันเราคิดว่าทางที่เรากำลังไปอยู่นี้เป็นทางที่นำไปสู่ความสุขความเจริญแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับไม่ได้เป็นดังที่เราคิดกันใจของพวกเรายัางติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด อยู่เรื่อยๆแล้วบางทีก็พังเผลอไปทำบาปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปในนรกในอบายเพราะว่าใจของเราไม่มีผู้สั่งผู้สอนผู้บอกทิศทางของการที่จะไปสู่ที่สุขที่จเจริญ น, นั้น ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ปรากฏอยู่ในโลกนี้พวกเราใจของพวกเรานี้จะไม่มีสามารถไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวินว่ายตายเกิดได้จะไปได้ก็แค่สวรรค์ชั้นต่างๆเท่านั้น แต่จะไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปสู่พระนิพพานได้ต้องมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วก็นำเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้นทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มาสั่งมาสอนให้พวกเราผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะได้หลุดพ้นการจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เสียทีเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ที่รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้เป็นผู้ที่มาสั่งมาสอนเราเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วได้ศึกษาแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างอย่างไรถ้าเราอยากที่จะยุติการไป เกิดในสวรรค์เกิดในนรกเกิดในอบายยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานนี้แล้ว <c oughs> เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้แล้วผู้ที่รู้วิธี รู้ทางสู่การหนุดพ้นนี้แล้วให้เป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งผู้สอนให้เราปฏิบัติตาม mm hmm. อยวันพระนี้ก็เป็นคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรามีวันพระกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวัน mm hmm. เพื่อใช้วันพระนี้ เป็นวันที่เราจะมาศึกษามาเรียนรู้วิธีมาเรียนรู้ทางแห่งการยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ว่าเราจะต้องทำกันอย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ เราต้องมีเวลาเราต้องมีวันที่เรากำหนดให้เป็นวันของการปฏิบัติธรรมวันแห่งการศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้ทำให้ใจของพวกเราทุกคนได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เวลาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ซึ่งเราทุกคนก็สามารถที่จะหาเวลาได้เพราะเราไม่จําเป็นที่จะต้องทํามาหากินทุกวันทุกเวลา mm hmm. เราทํามาหากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ mm hmm. อย่าไปหลงกับการหาความร่ํารวยคิดว่าถ้าร่ํำรวยแล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกนี้เป็นความเข้าใจผิด คนน้ำรวยเป็นเศรษฐีลำดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต้องทุกกับการเกิด mm hmm. การแก่ mm hmm. การเจ็บ mm hmm. การตายอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ทุกกับการเสื่อมโทรมของสิ่งต่างๆทุกกับการทัดพลาด mm hmm. จากสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไป ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมมัวแต่หาเงินหาทองหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัวันหนึ่งการหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องสิ้นสุดลงเหมือนกับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลากัน อันใดความสุขที่เราหากันจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลษษิตภัณชนิดต่างๆก็เป็นความสุขชั่วคราววันใดวันหนึ่งเงินทองก็อาจจะหมดก็ได้ยศตำแหน่งที่มีก็อาจจะหมดก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เคยหามาได้ก็อาจจะไม่สามารถหามาได้ก็ได้เมื่อร่างกาย ที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆต้องเจ็บไข้ได้ป่วยได้เข้าสู่ความตายตามลำดับต่อไปความสุขต่างๆที่เคยหามาได้ในขณะที่มีร่างกายที่แข็งแรงก็จะหมดไปดังนั้น อย่าไปหลงกับการหาความสุขจากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทำมาหากินนี้ทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอพอให้มีปัจจัยสี่พอเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นปัจจัยสี่ของมหาเศรษฐีปัจจัยสี่ของคนธรรมดา ก็สามารถเลี้ยงดูร่างกายได้ปัจจัยสี่ของพระก็สามารถเลี้ยงดูร่างกายของพระได้วิธีการหาเงินเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสีน่นี้ถ้าเอาตัวอย่างแบบของพระไปใช้ได้ก็จะดีที่สุดเพราะจะไม่ต้องเสียเวลามาก จะได้มีเวลาให้มากับการศึกษากับการปฏิบัติได้มากขึ้น mm hmm. คนที่มีความปรารถนาในการหลุดพ้นจากความทุกข์ส่วนใหญ่จึงมากไปบวชกันเ mm hmm. พราะดูว่าการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เวลามากให้กับการศึกษา ให้กับการปฏิบัติแล้วการไปอยู่แบบพระนี่เรื่องหาปัจจัยสี่ก็ไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลามากอาหารก็แค่ตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วหรือบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมงก็ได้อาหารพอเต็มบาตรก็พอแล้วกับวันฉันเสร็จ เรื่องเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารก็หมดไปที่อยู่อาศัยก็ตามมีตามเกิดถ้ามีกิจติอยู่ก็อยู่ตามกุติไปถ้าไม่มีกุตติก็อยู่ตามโคนไม้ไปทำเป็นเพิงทำเป็นอะไรพอกันแดดกันผลได้ก็อยู่ไปแล้วอยู่ตามเรือนร้างต่างๆคือให้อยู่ตามมีตามเกิด ไม่จาเป็นจะต้องหรูหราไม่ต้องวิเศษวิโสอะไรขอให้มันทาหน้าที่ของปัจจัยสี่ให้ได้ก็แล้วกันเช่นหน้าที่ของอาหารก็มีไว้เพื่อดับความหิวเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขจะเป็นอาหารแทงอาหารถูกก็ไม่สำคัญขอให้มันเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอที่วัวใสก็ไว้มีเพื่อหลบแดดหลบฝน หลบไฟหลบภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายเครื่องนุ่งห่ม้าเกิดเสื้อผ้าผา่อนสำหรับผ้าก็มีแค่ผ้าสามผืนก็พอเพียงที่เรียกว่าผ้าไบจีวรมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าหม่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนมีสามผืนนี้แล้วก็พอแล้วสําหรับเครื่องนุ่งหม่ม สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่แบบที่ไม่เสียเวลากับการที่จะต้องมาคอยกังวลมาคอยหาปัจจัยสี่ที่หรูหราที่พุ่มเฟยที่มีราคาแพงๆยารักษาโรค ก, ก็สมัยพุทธกาลก็ใช้ยาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสวะ เอาน้ำปัสสาวะนี้มาดองพวกกับพวกผลไม้บางชนิดเช่นสมอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มนะยาดองนี้แทนก็รักษาได้พออยู่ไปไดออ้นี่คือวิธีการเลียงดูร่างกายแบบที่ไม่ให้เสียเวลามากเพื่อที่จะได้เอาเวลา ที่เหลือนี้มาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้ต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่องและใช้เวลามากจึงไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับงานการต่างๆที่ไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์ในด้านของการทำให้จิตได้หลุดพ้น จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้มาทุ่มเทให้กับกิจกรรมที่จะนําให้จิตได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่งก็มีอยู่สามข้อด้วยกันการปฏิบัติธรรมที่พุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลังจากได้ทรงตัดสันนุทรงระหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ก็จะนำเอาวิธีการหลุดพ้นนี้มาสั่งสอนสาธุชนผู้ที่สนใจที่ปรารถนาที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดให้นำอาไปปฏิบัติ mm hmm. ก็มีอยู่สามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวง mm hmm. ข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม mm hmm. ข้อที่สาม ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วใจก็จะสิ้นกิเลสใจก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสามขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนที่หนึ่งี่ใจต้องปิดปิดปิดอบายไว้ก่อนปิดประตูอบายอย่าไปทางอบายเพราะถ้าไปอบายแล้วมันจะ มันจะไปนิพพานไม่ได้มันเป็นคนอาทิตย์ทางกันนิพพานนี้เป็นเหมือนทิศเหนืออยู่ทิศเหนือส่วนอบายนี่อยู่ทิศใต้เราต้องอย่าไปทางทิศใต้อย่าไปลงต่ำาพชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี้มีสูงมีต่ำขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันเอาไว้ถ้าเราทำบาป จิตใจของเราก็จะลงไปสู่ภพชาติที่ต่าําที่เราเรียกว่าอาบายมีสี่ที่ด้วยกันคือเดาาลฉานเปรตอสุรลกายและนรก<ม>เราต้องไม่ไปในทิศทางนี้เราต้องไม่ไปเกิดเป็นเดราาลฉานไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรลกายไม่ไปตกนรกกันวิธีที่เราจะป้องกันไม่ให้ไปอาบายได้ก็คือละการกระทําบาปทั้งปวง ละละการเสพอบายามุกอบายยมุกก็แปลว่าทางเข้าสู่อบายการไปเสพอบายยมุกก็เท่ากับ น, นึ่งใจให้ไปรออยู่ที่ประตูพออยู่หน้าประตูโอกาสที่จะเข้ามันก็ง่ายแต่ถ้าไม่ไปอยู่ที่หน้าประตูโอกาสที่จะเข้ามันก็จะยากดังนั้นต้องละการกระทำบาปละการเสพอบายยมุก เพราะการเสพอบายามุขจะทำให้ทำบาปได้ง่าย<ม>จะทำให้ทำบาปได้เร็ว<ม>ดังนั้นสิ่งแรกต้องละกันก็คืออบายามุขที่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสการเล่นการพนันสามการเที่ยวเต่โดยเฉพาะเที่ยวกลางคืนสี่ ความเกลียดค้านและห้าการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรอย่าไปคบกับคนที่ชอบดืม่มโุดาเพราะเขาจะชวนเราไปดืม่มโุดาถ้าเขาเล่นการพ น, นันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นันถ้าเขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าเขาชอบความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดคร้านถ้าเราเสพอบายมุข มันก็จะทําให้เราไม่มีรายได้เข้ามาอบายามุขนี้จะทําให้เราสูญเสียรายทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไปซึ่งไม่ช้าก็เร็วพอทรัพย์สินที่เราเคยมีพอกินพอใช้ขาดไปเมื่อไหร่แล้วเราไม่มีงานทําเราไม่ได้ทํางานทําการโมแต่คอยเสพอบายามุขอยู่เราก็จะต้องไปทําบาป ก, กัน ไปลักทรัพย์ไปขโมยข้าวของเงินทองไปช่อโกงไปหลอกลวงหรือบางครั้งถ้าต้องการทรัพย์มากๆก็อาจจะต้องไปพ้นไปจี้โดยฆ่าผู้อ่นเพื่อจะได้เอาทรัพย์ของเขามาดังนั้นเบื้องต้นการที่เราจะไม่ทําบาปนี่เราต้องพยายามอย่าอย่าไปเสพบาบา ย, ยามุกเพราะมาเมื่อเสพบาบายามุกแล้วมันจะทําให้เราถูกบีบคั้นให้ทําบาปกัน เป็นคนเน่นการพนันนะเสียเสียเสียพนันเป็นหนี้พนันก็ต้องไปหาเงินมาใช้เขาเงินของตัวเองก็ไม่มีงานงานการก็ไม่ได้ทำก็ต้องไปปล้นไปจี้ไปรักขโมยที่เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆไปปล้นร้านทองกันพอถูกจับถามว่าปล้นออกไปทำอะไรก็อาไปใช้หนี้พนันกัน ฉั้นอย่าเสพบาบายามุกแล้วการไม่ทำบาปก็จะยากการไม่ทำบาปก็จะง่ายคือการทำบาปก็จะยากไม่เสพบาบายามุกแล้วก็ต้องมาละาการกระทำบาปสี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการนักทรัพสามการประพฤติผิดในการมและสี่การพูดปดโกหกลอบลวง ซึ่งถ้าเราไม่เสบบายยามุกแล้วไม่เสบบายยามุกโอกาสที่จะมาทําบาปก็จะยาก<ม>แล้วเราก็จะสามารถรักษาศีลห้ามปามไม่ให้เราไปทําบาปได้<ม>ถ้าเราไม่เรารักษาศีลได้ไม่ทําบาปเลยตายไปเราก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้เราไปเกิดในอบาย<ม>แต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเรา สามารถที่จะรักษาศินได้ตลอดเวลาเราก็ต้องทำข้อที่สองที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำก็คือให้มันทำบุญทำกุศลต่างๆตามโอกาสตามกำลังที่เรามีที่จะทำได้เพราะการทำบุญทำกุศลนี้เป็นการดึงใจให้ขึ้นสูงให้ไปสู่สวรรค์ไปทิศทางของพระนิพพาน ถ้าเราจะต้องการไปนิพพานเราต้องผ่านสวรรค์ก่อนสวรรค์ก็มีอยู่หลายชั้นด้วยกันส า, สามสี่ชั้นสามชั้นด้วยกันชั้นแรกก็คือสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญทำทานทำความดีต่างๆถ้าเรามันทำความดีทาบุญทำกุศลอยู่เรื่อยๆบุญของเราที่ทํามันก็จะมีมากกว่าบาปที่เราจะทาที่เราทา พอเวลาที่เราตายไปถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจเราไปสวรรค์บาปไม่สามารถดึงใจเราไปเกิดในอบายได้เราก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆต่อต่อไปได้ <c oughs> ข้อที่สามก็คือให้เราหลังจากที่เราทําบุญมากกว่าทำบาปแล้วตายไปก็ได้ไปสวรรค์แล้วกลับมาเกิดก็มาเกิดมาทําบุญต่อ เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขติในสวรรค์จากสวรรค์ที่ได้จากการทำบุญทาทานเราก็มาขยับขึ้นสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ที่ได้จากการทำบุญทาทานสวรรค์ที่ได้จากการทำบุญทาทานนี้เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็มีสวรรค์ชั้นพรหมอยู่สองชั้นเรียกว่าสวรรค์ชั้น รูปประรมและสวรรค์ชั้นอรูปประพรมแล้วเหนือกว่าสวรรค์ชั้นรูปประพรมอรูปประรมก็คือสวรรค์ของพระอริยะเจ้าสวรรค์ของพระโสดาบันพระสกิราคามีพระนาคามีพระอนาหาันพอได้ถึงขั้นสวรรค์ของพระอนาหาันก็สามารถเข้านิพพานได้ต่อไปยุติการเวีนว่ายตายเกิดได้การจะขึ้นสู่สวรรค์ ชั้นพรหมและชั้นอริยะเจ้าได้ก็ต้องทำข้อที่สามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์<ม>การซักฟอกใจนี้ต้องซักพอกโดยการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตะภาวนาภาวนานี้ก็คือการทำใจให้นิ่งให้สงบเพื่อหยุดกิเลสหยุดตัณหาความอยากต่างๆที่จะเป็นตัวที่มาฉุดลากให ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆการภาวนานี้ก็มีอยู่สองขั้นตอนขั้นสองขั้นสองระดับด้วยกันขั้นสมาธิและขั้นปัญญาที่เรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่ขั้นสมถะภาวนาขั้นสมาธินี้เป็นการหยุดกิเลสชั่วคราวหยุดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ตัวที่คอยดึงจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้เลย mm. ด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสู่รูปฌปานหรืออรูปฌปานได้พ mm. อได้รูปฌปานก็จะได้สวรรค์ชั้นรูปประพรมพ mm. อได้อรูปฌปานก็จะได้สวรรค์ชั้นอรูปประพรม่ mm. อได้สวรรค์ชั้น ชันรูปภพลมแล้วรูปภพลมแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้าได้ mm hmm. ก็ต้องขยับการภาวนาขึ้นสู่ระดับวิปัสสนาภาวนา mm hmm. สมาธิภาวนาหรือสมถะภาวนานี้เพียงแต่หยุดกิเลสไว้ชั่วคราวไม่สามารถกําจัดกิเลสให้หายไปอย่างถาวรได้ต้องอาศัยขั้นที่สองของการภาวนา ก็คือการเจริญวิปัสสนาภาวนาคือการศึกษาให้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปยึดไปติดไปหลงไปชอบไปอยากได้อยากอยากมีอยากเป็นนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเช่นการเสพกรารมการเสพรูปเสียง ก, กลิ่นรสนี้ก็เป็นทุกข์เพราะว่า การ ม, มันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้ให้ความสุขตลอดเวลาให้แล้วมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็จะทำให้ใจอ้างว้างเป่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าซ้อยหวอยเหงาเมืออตอนก็นำละกามาคุณให้กา ม, า, ก า, ม, มาตัณหาให้ได้วความอยากเสพกามพอละความอยากเสพการด้วยอาศัยกำลังของความสงบของสมาธิ ก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากเสพกามได้แต่ก็มาติดอยู่กับความอยากที่จะเสพ ร, รูปประชานและอรูปประชานก็ต้องใช้วิปัสสนาปัญญามาสอนใจว่ารูปประชานและอรูปประชานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของชั่วคราวเวลาได้เสพสัมผัสกับรูปประชานและอรูปประชานก็จะมีความสุขแต่พอชานเสื่อมไป ความสุขก็หายไปก็ปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าซ้อยห้อยเหงา mm hmm. ก็ต้องละการอยากจะเสบรูปประชานและอารูปประชาน mm hmm. พอละความอยากจะเสบรูปประชานอารูปประชานได้ mm hmm. ใจก็สามารถซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะความอยากทั้งสามที่ทำให้ใจเศร้าหมองที่ทำให้ใจเวียนว่ายตายเกิดนี้ ได้ถูกกำจัดด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วยการเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเห็นอริยสัจสี่พอกำจัดความอยากกิเลสตถานะหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็บรรลุถึงขั้นที่สี่ของพระอริยบุคคลคือขั้นพระอารหันต์แล้วจากนั้นก็เข้าสู่พระนิพพานไปตามลาดับออกจากวัฏฏะสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ในตายพบในการมาพบในรูปรพบและในอรูปรพบเข้าสู่นิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปไม่มีการกลับมาทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายต่อไปอ น, นี่คือขั้นตอนของการมา <c oughs> ดูแลรักษาใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มีสามขั้นตอนง่ายๆที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสัตวได้ทรงหลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วก็จะนําวิธีนี้มาสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมากี่กี่พระองค์ก็ตามหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏในอนาคตก็ตามก็จะสอนเหมือนกันเั่านั้นเพราะทางสู่พระนิพพานนี้ไปทางเดียวเท่านั้นเอง ทางแห่งการไม่กระทำบาปละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นะถ้าทำสามข้อนี้ได้นิพานก็จะอยู่ในเอื้อมือของผู้ปฏิบัติในการที่จะเข้าถึงพระนิพานได้ก็ต้องมีเวลาปฏิบัติถ้ายังมัวมาทำมาหากินหาทรัพย์สมบาดเก้าของเงินทอง หาลาบยศสารเสวนสกอยู่มันก็จะไม่มีเวลาพอถ้าอยากจะไปนิพพานก็ต้องดูตัวอย่างของผู้ที่ได้ไปนิพพานก็คือพระอริยะสองสาวกซึ่งส่วนใหญ่99เก้าอร์เซ็นต์ก็เป็นพระนักบวชทั้งนั้นอาจจะมีหนึ่งเซนที่อาจจะมีบุญมารมีมากพอที่จะสามารถบรรลุได้ในขณะที่เป็นคารวาดก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นเป็นนักบวชทั้งนั้น แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องไปเป็นปนักบวชถึง แ, แม้เป็นเจ้าชายศิทธทัตมีบุญบรารมีมากน้อยเพียงไรก็ตามมันก็ยังไม่พอที่จะทําให้ใจเข้าถึงพระนิพพานได้โดยเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าเองต้องปฏิบัติด้วยลําพังเองไม่มีใครสอนมันถึงยากสําหรับพระพุทธเจ้าสำหรับพวกเรานี่ง่ายกว่าเยอะเพราะเรามีคนบอกวิธีแล้ว เพียงแต่ทำตามวิธีเราก็จะหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะแบ่งเวลาเป็นสองตอนตอนแรกสามสิบนาทีให้กับการฟังธรรมแล้วอีกสามสามสิบนาทีต่อมาตอนที่สองนี้ก็จะให้กับการปฏิบัติธรรมต้องทําทั้งสองอย่างถึงจะได้ผลดีศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติ อันนี้เราจะมาปฏิบัติทำที่เรียกว่าส ม, มัตภาวนาอยู่ในคำสอนขั้นที่สามชำระซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้ยการทําส ม, มถตภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นก็ทําสมัติภาวนาทําใจาให้นิ่งให้สงบ ก, ก, ก่อนหยุดกิเลส ต, ตัณหาไว้ชั่วข่าวก่อนตัดกําลังของกิเลสตัณหาให้เบาบางลงแล้วก็ไปขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาต่อไป ตอนนี้เราจะมาเจริญสมถะภาวนามานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาให้เกิดความให้ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาหายไปชั่วคราวเวลานั่งสมาธิจึงต้องมีสติคอยกากับใจถ้าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยตามภาษาใจก็จะไม่มีวันนิ่งไม่มีวันสงบ จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้จะนิ่งสงบจะเข้าสมาธิได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีสติไว้คอยควบคุมใจบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความทิดต่างๆได้ให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้สติแปลวล่าการระลึกรู้กรรมฐานก็คืออารมณ์เวลานั่งสมาธิ เราต้องมีสติและเลรู้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานที่จะผูกใจไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดต่างๆงั้นเรานั่งเราต้องมีสติกํากับใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐานนี้มีหลายหลายชนิดด้วยกันถ้าเราเคยฝึกแบบไหนมาแล้วได้ผลดีก็ใช้แบบนั้นไปก็ได้ที่ได้ยินได้ฟังที่เราใช้กันอยู่ประจำทั่วไปก็คือ การใช้พุทธานุสติคือการเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้เราเราเลิกถึงคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้คิดแล้วใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบแต่ถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธได้ใจก็จะค่อยๆนิ่งค่อยๆสงบไปตามลําดับ หรือบางท่านก็อาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าการดูลมหายใจเข้าออกเราเลึกรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจที่เรียกว่าอาณาปานสติอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็เราเลึอกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องก็ได้แล้วแต่บางท่านก็ดูที่หน้าท้องก็จะมักจะมีการกล่าวว่ายุบหนอพองหนอ เวลาลมเข้าไปก็พองขึ้นมาเวลาลมออกไปก็ยุบลงไปบางท่านก็ดูที่ปลายจมูกแทนก็ดูเฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องบังคับให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆปล่อยให้ลมหายใจเป็นตามธรรมชาติของเขาถ้ายังไม่สามารถดูลมได้ก็อา จ, จแสดงว่าสติเรายังมีกำลังไม่พอก็อาจจะต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดมนไปภายในใจส่วนบทไหนก็ได้เพื่อกล่อมใจให้เบาให้สงบลงให้มีสติมากขึ้นพอสวดไปสักระยะนึงจะรู้สึกว่าใจเบาเยน็นสบายความคิดน้อยลงแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาดูลมก็ได้หรือบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้สุดแท้แต่ที่เราเคยฝึกเ ค, เคยสอนเคยเรียนมา วิธีไหนที่ทำให้ใจเราสงบเข้าสมาธิได้ก็สามารถใช้ได้มีหลากหลายวิธีด้วยกันและข้อสาคัญเวลานั่งสมาธินี้อย่าให้อะไรมาลากเราออกจากการดูลมหรือการอยู่กับกรรมฐานวเวลาอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปดูลมก็ดูลมไปแล้วถ้าเกิดมีเสียงมีภาพเข้ามาเราอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจ มีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจอย่าไปสนใจให้อยู่กับอารมณ์อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยู่กับอารมณ์ไม่อยู่กับกรรมฐานใจก็จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ดะนั้นอย่าอย่าหลงเวลานั่งแล้วอย่าหลงอย่าเผลอให้อยู่กับกรรมฐานจะเป็นพุทโธก็ได้เป็นบทสวดมนต์ก็ได้เป็นการดูรวมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้ บางท่านอาจจะใช้โครงกระดูกก็ได้ดูโครงกระดูกก็ได้แล้วแต่จลิตนิสัยแล้วแต่แล้วแต่ว่าได้เรียนมาอย่างไรแล้วได้ผลได้ได้ผลได้ประโยชน์ดีก็ใช้เอามาใช้ได้ในขณะน้นั่งสมาธิแล้วต่อไปนี้ก็เราจะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่อนที่จะเลิกก็ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้ดูว่านั่งแบบไหนอย่างไรจำเอาไว้คราวหน้าเวลานั่งก็นั่งแบบนี้ต่อไปได้เลยจะอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ได้ทำให้มันสงบได้ต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีไม่มากพอ ก็ควรหมรั่นเจริญสติระหว่างวันไปเรื่อยๆก่อนเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันไม่ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่เราสามารถเริ่กถึงพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยๆมีพุโทโธอยู่ในใจแล้วเราจะเริ่มมีสติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปนี้จะขออันิโมทนาให้พรยะท้าวเรวะหะตุระบาริปุเรนติสากะลัง เอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปปักปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิพเมวะสัมิชโตสัพเเอุเริงโตสังกาปาจันโตปนะระโสย h าเมณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจันโตสัพพะโรโขวินัสโต มาเตภวัตวันตาาโยสุขิติขายุโกภวาอภิวาทนสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวทานเตอายุวันโสุขังหาลัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ312ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ284ท่านทาง u t u b e ดรวีห้ท่านทางวิทยุออนไลน์1 1ท่านทางขับเฮาส์8ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ104ท่านรวมทั้งหมด770ท่านครับ Do You have a question? y e Thank you. Salut, Danijan. Can you speak closer? I, to I the... I can right? speak. Okay. Yeah. Uh, yes. Mm, my question is linked to u p e k a l o u d e r can you speak louder? Like uh, my question is linked to u p e k a Yes. Uh, okay. There is u p e k a based on diversity. And there is u p e k a based on y u n i On what? Uh, yes. u p e k a u e k a is can be based on diversity, so single things, or on unity. Well, real u p e k a is the fourth jhana. We have to get to the fourth jhana yes. to get to the, the real u p e k a Yes. Okay. That's only one u p e k a Okay. The only only one type. t h a t is not u p e k a based on diversity and based on unity. Be Based on diversity and based on unity. Unity. Yes, my question was if this unity of Upekha was meant like the other three Brahmaviharas, if was unity of all the four Brahmaviharas, like m e t t a Karuna, Mudita, mm. and Upekha. Yes, you you get this Upekha from the fourth Jhana. Yes. You have to get to the fourth Jhana, then you have Upekha, when the mind becomes neutral. Okay. And, and that Upekha unifies. the Brahma Viharas? Well, it doesn't. It's just a different function, also. Okay, thank you, Metta. <laughs> the Brahma, Brahma Vihara has four different functions. Yes. Metta, uh, Karuna, m u d i t a u p e k a They have different functions. Metta is to show goodwill. Kar karuna, compassion. m u d i t a sympathetic joy. Obeka, you just remain un-unreacting, no reaction. So it's different, different thing, different, different um, results. Yes. Thank you very much. Okay. ม h a ำถ a มจากทางเฟซบุ๊ก c าวไทย น้อมกราบพระอาจารย์อยากสอบถามว่าเวลานั่งสมาธิได้ประมาณ30สนาทีแล้วเกิดอาการเน็บชาที่ขาพยายามบริกรรมพุทโธแล้วแต่ก็ยังปวดอยู่แล้วก็คิดว่าที่ปวดคือร่างกายแต่ใจอย่าปวดตามคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็ถ้าปล่อยวางได้ก็ถูกต้องถ้าอยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนก็อยู่ก็ถูกต้อง ถ้ายังเดือดอนอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ยังปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องใช้คำบริกรรมไปก่อนจะดีกว่าจ้าค่ะจากทาง YouTube คุณแซมเด็กพิเศษเป็นโรคออทิสติกวิธีใดแม่น้องได้สร้างบุญไม่เสียชาติเกิดแม่น้องแม่ของน้องไปทําบุญมาให้น้องสาธุนน้องน้องก็สาธุไม่รู้ว่าจะได้บุญใหม่คะจากแม่ต้มค่ะ อ๋อยังไม่ได้บุญหรอกเพราะว่าต้องต้องเป็นของของน้องเองแล้วต้องเป็นเจตนาของน้องความตั้งใจของน้องเองถึงจะได้บุญตอนนี้ก็เพียงแต่ทําเป็นเหมือนกับเป็นเพื่การฝึกให้เขารู้จักวิธีทําบุญแต่ตัวเ้าเองต่อไปเขาต้องมีของของเขาเองแล้วเขาอยากจะทําบุญพอถึงจะได้บุญค่ะคําคถามจากอินบล็อก ขอถามพระอาจารย์ครับลมเพลมพัดของที่ไม่ดีมีจริงไหมครับถ้ามีจริงมีวิธีป้องกันไหมครับขอบคุณพระอาจารย์ลมเพลมพัดเป็นยังไงน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกคุณใส่ไสยศาสตร์อะไรก็ค่ะให้มีมีกรรมนั่นนะมีบาปกามนั่นนเป็นของไม่ดีมีบุญที่เป็นของดีศาสนาพุทธสอนแต่เรื่องบุญเรื่องบาปถ้าอยากได้ดีได้ดีก็ทําบุญ ถ้าไม่อยากได้เร็วอยากได้ความชั่วเร็วล่าต่างๆก็ทำบาปค่ะจากอินบล็อกเจค่ะฝากคําถามค่ะทํายังไงให้จิตรวมคะสงบนิ่งแต่รู้สึกจิตไม่รวมค่ะต้องใช้สติฝึกสติบ่อยๆให้เป็นสัมปชัญญะให้สติต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิก็อยู่กับลมอย่างเดียวแล้ว อ, อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไปจิต ก, ก็จะนิ่งจะรวมได้ เจ้าค่ะคุณกบบัญชาถามเข้ามาว่าพระอาจารย์ครับเวลานั่งเจริญสติมีความคิดขึ้นมาผมเข้าใจว่ามันเป็นสัญญากับสังขารความปรุงแต่งและก็กลับมาอยู่กับพุโทโธแต่ภาพที่มันปรากฏขึ้นมาต่อหน้ามีทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักอันนี้มันเป็นสัญญากับสังขารด้วยหรือเปล่าครับ แต่เวลาที่มันเกิดขึ้นมามันไม่มีความคิดครับเท่าที่ผมจับได้และรู้สึกไม่ต้องไปนสนใจว่ามันเป็นอะไรแล้วใหเราอย่าไปนสนใจมันให้เรากลับมาอยู่ที่พุทโธหรืออยู่ที่ลมแล้วแต่เราจะใช้อะไรผลกใจก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปเราไม่ต้องการจะรู้ว่าเขามันเป็นใครมาจากไหนอย่างไรไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้ใจเราเข้าเข้าสู่สมาธิได้ การจะเข้าสู่สมาธิได้เราต้องกลับมาอยู่ที่กรรมฐานอยู่กับลมและอยู่กับพุโทโธให้เวลามีไรบางปรากฏอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าเป็นอะไรเป็นพ่อแม่กูหรือเปล่าเป็นลูกกูหรือเปล่าอย่าไปคิดให้มันเสียเวลาให้เกิดประโยชน์เราต้องการให้ใจหยุดคิดค่ะคุณนภ า, าถามเข้ามาว่าหลักธรรมพระอาจารย์ วันพระก็ไม่ไปวัดปฏิบัติอยู่บ้านได้ไหมคะสาธุ ค, ค่ะได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้จากเฟซบุ o กจชะค่ะกราบนมัธการพระอาจารย์ค่ะหากเราพบผู้รู้แล้วจําเป็นต้องทรงสภาวะจิตผู้รู้ให้ได้ตลอดเวลาหรือไม่หรือจิตผู้รู้นี้สามารถหายไปได้หากเราแวบไหลายไปกับความคิดค่ะเออไม่ต้องไปกังวลกับผู้รู้หรอก ให้กังวลกับกิเลสดีกว่านั่งปฏิบัติเพื่อให้เจอให้รู้จักกิเลสส่วนผู้รู้จะรู้หรือไม่รู้ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญอะไรขอใเรารู้ว่าเวลาเราโลภเราโกรธเราหลงหรือเปล่าถ้าโลภก็รีบหยุดความโลภถ้าโกรธก็รีบหยุดความโกรธถ้าหลงก็หยุดความหลงท่านั้นแหละการปฏิบัติไม่ได้หยู่ที่การจะทรงรู้หรือไม่ทรงรู้อะไรอย่างไรขอใหเรารู้จักกิเลสแล้วหยุดมันให้ได้ก็พอ จากอินบอกเจ้าค่ะฝากคำถามครับป่วยซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ น, นอนสิยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะเป็นอะไรก็เป็นได้แต่อย่าไปทุกข์กับมันท่าเอปัญหาคือเราไปทุกข์กับมันพอมันเป็นอะไรแล้วเราไม่ชอบใจเราก็เลยทุกข์กับมัน เราก็ต้องอย่อมแล้วว่าตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เราจะให้มันเป็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นตอนนี้เราได้ส้มมาอย่าไปอยากได้กล้วยได้ส้มมาก็กินส้มไปก่อนเราเดี๋ยววันหลังถ้าได้กล้วยมาค่อยกินกล้วยชีวิตเราก็เป็นอย่างเนี้บางทีเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเรายินดีกับมันไม่รังเกียจมันเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเรารังเกียจมันไม่ชอบมันไม่อยากให้มันเป็น พอมันเป็นก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาวิธีทำใจก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดพุทธเจ้าบอกสช่ค่ะถ้ายัางแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราเราซึมเศร้าอยู่แล้วเราพุทโธเข้าสู้แบบ น, นี้ได้ไหมคะพุทโธก็ได้ถ้าพุทโธ ท, ทำใจให้นิ่งสงบซึมเศร้าก็จะหายไปแต่ถ้าถ้าทำไม่ได้ก็ใช้ปัญญาวมันเป็นอย่างนี้ยินดีกับสิ่งที่มีที่เป็น มันเป็นตายรักเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันมาก็อยู่กับมันไปถ้าเราอยู่แบบยินดีเราก็จะไม่ทุกข์กับมันค่ะจาก youtube ค่ะในทุกวันที่เราหยอดเงินใส่กล่องตั้งใจไว้สําหรับจะไปถวายวัดเพื่อชําระนีิสงแต่เรายังไม่มีโอกาสไปวัด เราสามารถโอนเงินไปทำบุญก่อนตามจำนวนที่เราเก็บได้แล้วนำเงินในกล่องมาเวียนหยอดใหม่ได้ไหมคะได้ไดค่ะจากเฟ e บุ o k จ้ะค่ะน้อมกรดาษธรรสการพระชาชารเวลานั่งสมาธิดูลมไปหลงไปคิดก็รู้จะรู้สึกตัววัยขึ้นแล้วเราจะพัฒนาในชีวิตประจำวันให้รู้สึก มากขึ้นจะทําอย่างไรขอคําชี้แนะค่ะสาธุค่ะก็ะะให้รู้มากมากขึ้นให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เราทําเป็นอย่างเดียวค่ะคําถามจากคุณหนิงค่ะมีเพื่อนๆโอนเงินฝากเราทําบุญแต่เราไม่รับเพราะเห็นว่าเขาสามารถโอนเงินไปทําบุญได้เองเพราะเดี๋ยวนี้มีบัญชีวัด โดยตรงอยู่แล้วทั้งวัดต่างๆโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆที่สำคัญเราไม่ต้องมาเสียเวลาปฏิบัติของเราด้วยต่างคนก็ช่วยวัดพระพุทธศาสนาที่ตนเองสะดวกกันไปโดยไม่จำเป็นต้องมาทำด้วยกันตลอดจะถามว่าการปฏิเสธรับเงินทําบุญจากเพื่อนจะเป็นการขาดบุญไหมคะก็อยู่ที่ว่าเขาทาได้หรือไม่ บันนี้เขาไม่มีบัญชีเ้าก็อาจจะขอให้เราโอนให้เขาแล้วเขาก็ส่งเงินมาให้เราถ้าเราไปไม่ไม่ทําให้เขาเราก็เหมือนกับไม่ไม่อนุโมทนาไม่ไม่ช่วยเขาให้เขาได้ทําบุญแต่ถ้าเขามีบัญชีของเขาเองเขาโอนของเขาได้เองก็บอกเขาว่าคุณก็เองโอนได้อัตตาหิอัตโนนาโถจะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรณีถ้าเขาทาเองได้ก็ควรจะปล่อยให้เขาทำเอง การเขาทำเองไม่ได้ต้องผ่าต้องให้เราช่วยแล้ก็ถ้าเรามีเวลาช่วยเขาได้ก็ช่วยไปจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะการทำสมาธิถ้าเราไม่มีครูครูบาอาจารย์คอยสอนอยู่ใกล้กๆควรทำอย่างไรได้บ้างทำให้สมาธิได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ อ, อครูบาอาจารย์ไม่ต้องอยู่ใกล้ๆหรอกพระพุทธเจ้าตายไปแล้วตั้งสองันกว0าอปีก็ยังเป็นครูบอาจารย์เราได้ อ่านหนังสือธรรมะของพระเจ้าให้เรียนรู้วิธีนั่งสมาธิว่านั่งอย่างไงแล้วเราก็เาวิธีที่เราได้เรียนรู้ไปนั่งไม่ต้องมีอาจารย์มานั่งสมาธิคู่กับเราหรอกมันไม่เกี่ยวกันเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมาเรียนรู้วิธีแล้วก็นําำอาไปปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์จะอยู่ที่ไหนจะเป็นจะตายไม่เป็นไม่เป็นประเด็นสําคัญไงยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะอเค จากเฟซบุ๊กค่ะการเห็นเกิดดับนี้ต้องเห็นตรงไหนก่อนครับเห็นร่างกาเห็นเกิดมาแล้วต้องตายอพยายามรับมันให้ได้ไม่กลัวตายถึงจะเห็นเห็นเกิดดับจริงๆอถ้าเราไม่กลัวตายได้นี่เราสบายอยู่อย่างสบายไปทั้งทั้งทั้งทั้งชาติเลยไม่ต้องมีอะไรมาให้เรากลัวอีกต่อไปที่เรากลัวกันก็คือกลัวตายนี่แหละเป็นตัวหลัก ถ้าเราไม่กลัวตายแล้วเราจะไม่กลัวอย่างอืน่นไม่มีอะไรน่ากลัวยิ่งเท่ากับความตายถ้าเราไม่กลัวความตายได้แล้วเราก็สบายจะอย่างอื่นจะตายไม่เดือดร้อนคนอื่นจะตายไม่ไม่ร้ายเท่ากับเราตายเองเเงินทองจะตายมันก็ไม่ร้ายเท่ากับเราตายเององั้นถ้าเรายอมตายได้แล้วเราเราจะยอมรับความตายของอย่างอื่นได้หมดเลย ني, ต้องเห็นเกิดดับต้องเห็นตรงนี้เห็นที่ความตายของร่างกาย ผู้เจ้าสอนให้คิดอยู่เรื่อยๆให้เห็นอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวตายใจจะอยู่อย่างสบายไม่วุ่นวายไม่กังวลวิตกอะไรอย่างได้จักคุณโจอุไทยค่ะกลาบนามัชการพระอาจารอุเบกขาในพรหมวิหารสี่ เหมือนกับอุเบกขาในสมาธิหรือไม่ครับอันเดียวกันเนี่ยค่ะคุณจิรารัตน์ค่ะขอเรียนถามว่าการกดไลค์ให้กับข่าวการนําเครื่องบินไปทิ้งระเบิดส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามตายมากมายถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะคไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการฆ่าฟันของคนอื่นฝ่ายเขาฆ่าฟันไปอแล้วก็พงไปแล้วกัโลกก็เป็นอย่างนี้เป็นไปตามบุญตามกรรม แล้วอย่างแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าเราต่อสู้เพื่อประเทศชาติแล้วก็ทําให้อีกฝั่งตรงข้ามตายนะคะมันจะบาปไหมคะก็บาปแต่บาปไม่บาปไม่มากเท่ากับไปฆ่าเพราะขโมยเท่าของเงินทองของคนอื่นถ้าเราทําบาปเพื่อรักษาประเทศชาติรักษาผลประโยชน์นี้มันทําด้วยความจําเป็นมันไม่ได้ทําด้วยความอาฆาตพยาบาทแต่ทําทเพื่อรักษาชีวิตของเราอางเี้ยแต่ถ้าไม่ทําได้ยิ่งดี จะได้ไม่ต้องไปอบายถ้าทำมันก็ต้องไปอบายแต่มันมีหนักมีบามีโทษเหมือนทาทำผิดกฎหมายบางทีก็จําคุกห้าปีบางทีก็จําคุกสิบปีโทษมันไม่หนักเบาไม่เท่ากันยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได้นะเพราะไม่ถามเดี๋ยวเราจะเลิกนะ